ไปเพิ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้มาสำหรับเพื่อมาสร้างบา ร, รมีเมื่อบุญยังบุญบา ร, รมียังไม่เต็มตราบใจก็พ้นทุกไปยังไม่ได้ ต้องสู้กับความทุกข์อยู่ลำไปผู้ใดไม่ประมาทละความชั่วให้หมดไปตั้งหน้าทาแต่ความดีบุญบารมีก็จะเต็มเร็วผู้ใดมัวเมาประมาทอยู่เป็นส่วนมาก บุญบา ร, รมีก่อนานเต็มก็จะได้สวยทุกข์ไปในสงสารนี่ ม, มากพราะชีวิตของคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันมีความดีความชั่วเป็นเพื่อนเดินทางเป็นผู้แต่งความสุขความทุกข์ให้ แต่ว่าดีชั่วนี่มันไม่ได้เกิดเองจิตนี่เป็นผู้สร้างขึ้นต่างหากแต่มันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ในจิตตรงนี้เองเนี่ย hmm. จิตนี่ไม่ฉลาดกดละเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ได้ เมื่อละไม่ได้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยอย่างนั้นนะแต่จิตดวงแดิมฉลาดแล้วรู้จักคัดเลือกว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดันั้มันก็ละเหตุอันนั้นไปเรื่อ ย, อยความทุกข์ทางใจมันก็เบาบางไปเรื่อยไอย้ความทุกข์ที่เที่ยว เกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็สั้นเข้าก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเรามันอาสัยเหตุปัจจัยนำจิตวิญญาณตรงนี้ท่องเที่ยวล่องลอยอยู่ในโลกสงสารอันนี้ ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติมาแล้วที่ล่วงแล้วมาเราเราไม่สามารถจะลึกชาติขอหลังได้ดังนั้นจึงเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ได้เกิดมาเราเพิ่งเกิดชาติเดียวนี้เท่านั้น ยิ่งหลงโลกอันนี้ถ้าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเดชนี้มันก็ไม่สงสัยเลยเรื่องการเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่นะดังที่ประวัติของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์องค์ทรง สแสดงเรื่องความเป็นมาของพระองค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนนะเป็นพระเจ้าห้าร้อยชาติบังพระเจ้าสิบชาติปังอะไรนี่เราก็เคยได้ฟังกันมาอยู่บ่อยๆนะอันนี้พระองค์หยิบยกออกมาสแสดงตั้งแต่ชาติ ที่สำคัญสำคัญสำหรับใกล้ที่พระบารมีจะเต็มบริบูรณ์นี้เองเนี่ยเอามาเล่านะแต่ตอนที่บารมียังอ่อนอยู่คืนหลังไปเนั้นมันั น, นานับชาติไม่ทวนเลย <c oughs> แม้คนเราที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกัน เพราะว่าบุญบา ร, รมียังไม่เต็มจําเ็นก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายผู้ใดรู้ตัวได้ไม่ประมาทเกิดมาชาติหนึ่งนี้ก็ตั้งใจละความชั่วทำความดีไปท่านผู้ใดัวเมาประมาทอยู่เส้นนี้เนะ่ มันก็ได้ทำความดีแต่น้อยทำความชั่วมากกว่าทำความดีชาตินั้นชีวิตก็เป็นหมันเสียมากกว่าต่อมาเพามไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีเช่นอย่างคนที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวก เหล่านี้พวกนี้มันประมาทมากไม่ค่อยได้สร้างบุญกุศลเท่าไหร่นักเขาไปเพลิดเพลินมัวเมาอยู่แต่ทำตนเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถเงินทองมีเท่าไรก็เอาไปปลนปลื้กามคุณนั่นแหละหมด อย่าว่าแต่จะให้ทานเลยแม่แต่จับจ่ายเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นก็ไม่พอบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุ ร, รามูนี่เป็นนักเลงเล่นการพนันไปเที่ยวคบหาสมาคมแต่คนผ่านคนชั่วเป็นมิตรเหล่าเนี่ยนะ ผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกนี้แล้วโอกาสที่จะได้สร้างบุญกุศลจะได้ฝึกขนตนของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลก็หายากเต็มทีมีก็มีน้อยเต็มทีนี่แหละมันทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้าชีวิตเนะี่ย ก็มัวแต่ทำกรรมชั่วใส่ตัวเองเสียมากต่อมากผู้ใดรู้ตัวแล้วถ้าหากว่าไม่ได้บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสีจำพวกนี้ก็สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลได้มากเต็มที่ หาเงินหาทองอะไรมาก็เก็บหอมรอมลิบไว้ได้ไม่ได้ใช้จ่ายไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ว่ากันสำหรับผู้ครองเรือนอันที่ตั้งตัวไม่เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ไดนะ้ก็เพราะมัวเมาแต่บำเพ็ญตนเป็นนักเกรงสี่จำพวกนี่ หรือจำพวกใดจำพวกหนึ่งนี้เองดังนั้นผู้เป็นครืองหัดครองเรือนควรพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเป็นนักเลงสี่จำพวกดังกล่าวมานั้นคำว่านักเลงในที่นี้นะั้หมายเอาการกระทำความชัว่วเหล่านั้นติดต่อกันไป จนติดงอมแงมถอนตัวออกไม่ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นนักเลงดังนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังหรือได้พิจารณาเห็นโทษของความเป็นนักเลงสี่จำพวกนี้แล้วก็ควรเบื่อหน่าย ควรหาทางหลีกเว้นอย่าไปคบหาสมาคมกับคนสี่ประเภทดังกล่าวมานั้นแล้วผู้นั้นก็จะมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมบุญกุศลทำให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในชีวิตนี้ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่ สละบ้านเรือนออกบวชเช่นนี้ก็ตั้งใจบวชอุทิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆ mm hmm. ตั้งแต่วันบวชที่แรกทุกคนก็ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระรัตนไกลเป็นที่พึ่งทั้งนั้นเลยอันเมื่อบวชเข้ามาแล้วตั้งอยู่ในความประมาท ไม่ภากเพียพรพยายามละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปการบวชของผู้นั้นก็ไม่มีผลดีเท่าที่ควรเลยขอแต่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นนิดหน่อยๆเพราะเพราะนั้นนหละซึ่งจะไปทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปนั่นยากเต็มที เป็นไปไม่ได้เพราะว่าความที่จิตใจมันยังชอบกับกิเลสตัณหาอยู่มากมายแล้วมันจะไปทำความเพียรละกิเลสนั้นอย่างไรแล้วเพราะมันชอบกับกิเลสอยู่นั่นแหละมันจึงไม่ทำความเพียรละมัน เมื่อได้อยู่สุขสบายแล้วก็ยิ่งเพลินยิ่งเมายิ่งไม่สำรวมใจไม่เจริญพระกรรมฐานให้บังเกิดขึ้นในใจผู้เช่นนั้นก็จะประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันไปจนเท่าจนแก่ไม่ได้เลยส่วนมากก็มักซึกออกไป ไม่ไม่ได้อยู่นานเลยกิเลสตัณหามันล่อใจมันทำให้มองเห็นโลกมันเป็นแค่กับวดสวรรค์ของมนุษย์นั่นแหละมันถึงได้ดิ้นออกไปถ้าผูใ้ใดมองเห็นมนุษย์โลกอันนีนะ้เป็นนรกของหมู่มนุษย์ อย่างนี้แล้วก็ไม่ละไม่พอใจที่จะกระโดดออกไปหามันเลยนรกแปลว่าหาความสุขสบายไม่ได้ชีวิตที่ตกนรกเป็นชีวิตที่อาภัพ ก่อนจะไปตกนรกก็ไม่มีปัญญาที่จะละความชั่วได้เช่นบางบางคนที่ติดของเสพติดให้โทษมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะละมันเลยไม่มีปัญญาที่จะละของเสพติดดังกล่าวมานั้นได้ส่องเสพไป จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตตุ่มอย่างนี้แล้วมันจะให้ทําความดีได้อย่างไรอ่ะทําไม่ได้มคนเช่นไปเล่นการพนันอย่างนี้นะเงินทองหมดแล้วก็ทําความดีอะไรได้หรือเงินทองหมดแล้วก็เดือดร้อนใจ วุ่นวายหาเงินหาไม่ได้โดยทางสุจริตก็หาเอาในทางสุจริตยี่เอาปล้นเอาถ้าเขาจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางชีวิตนี่อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเพราะนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายเนี่ย ควรรู้ไว้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของตนอับเฉาหนะคือความเป็นนักเลงสี่ประเภทดังกล่าวมานั่นแหละต้องสอนตนเตือนตนไว้เสมออย่าเข้าใจว่าไม่เป็นไรตนไม่ต้องการมันแล้วมันจะเป็นไรบางคน สีแรกไม่ต้องการแหละแต่เมื่อไปคบ ก, กับเพื่อนฝูงผู้ช่องเเสพของเสพผิดเหล่านั้นมาแล้วเพื่อนฝูงสัมอ่อยออดเข้าไปนานเข้า น, านานเข้าก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปตามกันต้องเสพของเสพติดไปตามกันสมกับพระศาสตราตรัสไว้ว่า ยังเวเสวติตาดีโซแปลว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นอันนี้ไม่มีผิดเลยดังนั้น菩萨ทราจึงสอนให้พยายามเว้นจากคนพาลอย่าไปพอใจครบหาสมาคมกับคนพาลต้องพอใจครบหาสมาคมกับบัณฑิตนะักปราชญ์ ถ้าพูดถึงอัตตาธรรมธรรมภายในเราถือว่าความรักความชังนั่นแหละเป็นคนพาลเป็นมารของดวงจิตเพราะฉะนั้นอย่าไปคบกับอารมณ์สองอย่างนั้น ต้องมีสติตเตือนใจสอนใจของตนอยู่เสมอเสมอเพราะมันเคยคบผาสมาคมกับอารมณ์เช่นนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วบันนี้มาเห็นโทษของมันแล้วจะมาเปลี่ยนพยายามละมันออกไป มันก็ไม่ได้ออกง่ายๆมันจะต้องต่อสู้กับผู้เพียรพยายามขาจัดมันทีนี้ถ้าหากว่าสู้มันไม่ได้ก็ต้องไปตามมันสุดแล้วแต่มันจะโดนบันดาลให้ทำดีหรือทำชั่ว อย่างไรก็ทาตามมันเป็นเช่นนี้แหละคนเราที่ได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองนะก็เพราะว่าสู้อำนาจแทงมารคือความรักความชังนี่ไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนะี่ย เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากมากโดยเชื่อว่าพระธรรมคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัตินีนะเป็นเครื่องคำจัดกิเลสเหล่านี้ได้จริงๆต่เรามั่นใจ เราสร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจให้มันได้สร้างฮิริโอตปะธรรมให้เกิดขึ้นนึกถึงความชั่วมาคิดว่าจะทำความชั่วก็ น, นึกละอายใจเตือนตนว่าในฐานะเราเป็นมนุษย์อย่างนี้นี่นะพ่อเป็นผู้มีบุญ มาพอสมควรจึงได้เป็นมนุษย์จึงไม่สมควรทำความชั่วเลยนึกได้อย่างนี้ก็เกิดความละอายแก่ใจขึ้นมาก็ไม่ทำความชั่วนั้ น, น, นอีกอย่างหนึ่งก็นึกว่านึกกลัวต่อผลแห่งความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสาร นึกกลัวขึ้นในใจนี่มันก็ไม่ทำความชั่วได้คุณธรรมสองอย่างนี้นับว่าสำคัญไม่น้อยเลยทำให้คนเรานั้นไม่กล้าทำความชั่วใส่ทัวถ้าผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดมีในใจมากๆแล้วดังนั้นจงพากันสร้าง ใหรีโอตประธรรมนี่ให้เกิดขึ้นในใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปได้นี่ก็เพราะความอดทนเพราะเบื่อหน่ายทุกข์ในสงสารอยากพ้นทุกข์ เพราะเอ็นโทษแทงความฟุ้งซ่านของใจใจที่ฟุ้งซ่านเรื่อน้อยใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งโมนี้มันล้วนแต่นำความทุกข์มาให้ทางนั้นเลยคนเราที่จะบนทุกข์บนยากขึ้นมาในใจ ก็เพราะว่าไม่สามารถจะทำใจให้สงบได้นี้เองเมือม่อคิดมากๆเข้าไปแล้วเกิดความรำคาญใจขึ้นมาแล้วก็ประกาศออกมาให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าทุกหนอทุกหนออย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะมันจึงได้สวยทุก ไปโลกหน้าต่อไปเมื่อระงับทุกข์ใจในปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วไปเบื้องหน้าทุกข์นี่มันก็ติดตามไปนั่นไงก็ไปบ่นทุกข์อยู่ในโลกหน้านั้นอีกดังนั้นเน่ยก็เพิ่งพากันเข้าใจว่าใจนี้จะเป็นทุกข์ได้ก็เพราะ มันสะสมเหตุแห่งทุกข์เข้าใส่ตนไม่ยอมละเหตนุนนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วใจนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเลย น, นี่ไม่ใช่ตัวเองไม่ฉลาดไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไปสะสมเอาเรื่องราวที่ก่อให้เกิดทุกข์ไว้ในใจ มากเท่าไรทุกทางใจมันก็มากเท่านั้นมันเปน็นยังไงมันมาแต่เหตุก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วหลักอริยรสัจจะทรรมพระศาสดาก็ทรงแสดงไว้ใครๆก็รู้ตัญหานะ่ะเป็นเหตุให้ทุกขเกิดขึ้น อย่างนี้แต่ว่ารู้นั่นแหละรู้แต่ตามตัวหนังสือเฉยๆแต่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญาจึงไม่พยายามละมันปล่อยมันถ้าผู้ใดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่เลี้ยงปัญหานี่ไว้ในใจพยายามปรงพยายามวางมันเรื่อยไป ตัญหามันก็เกิดจากความคิดความวิตกวิจารณ์นั่นเองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้ามันหยุดวิตกวิจารณ์ไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใครน่าปารนาต่างๆแล้วอย่างนี้ตันหามันก็เบาลงสงบลง ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆล้วตัณหามันเกิดขึ้นไม่ใช่หรอกสังก ป, ป ร, ราโคปุริสัตสกามโมแปลว่าความคิดหรือว่าความดำรินี่เป็นกรมของคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีพิษ ความดำริในใจนันรูปนั้นสวยเนาะเสียงนี่ไพเราะดีกลิ่นนั้นหอมหวนดีอาหารอย่างนั้นมีรสชาติดีกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มนั่นก็ยินดีกับความสัมผัสอ น, นั้นแล้วใจเมื่อได้รับรู้อารมณ์ทั้งสี่ประเภทนั้นแล้ว ก็ทำความชื่นยกชมยินดีในอารมณ์นั้นเช่นนี้ล้ะมันถึงได้เกิดปัญหาความอยากได้ขึ้นมาดังนั้น <c oughs> พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ระ ง, งับอกุศลวิตกนี้ไปในทางตรงกันข้ามที่ท่านเรียกว่าเนคข ม, มะวิตก ในขัมมะวิตกนี่เราวิตกนึกคิดในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆในโลกนี้ได้เพราะว่าเท่าที่ล่วงแล้วมามีแต่ความกำหนัดยินดีในรูปเป็นต้น เช่นนี้นั่นมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนไม่มีทางสงบได้เพราะเมื่ออยากได้แล้วมันก็แสวงหานี่คนเราอ่ ะ, อะเมื่อแสวงห า, าได้มาก็ดีใจอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าไปแสวงห า, าแล้วไม่ได้มาตามประสงค์ก็เดือดร้อนแล้วออขับแค้นใจเป็นทุกข์ใจ เป็นอย่างนั้นถึงแสวงหาได้มาแล้วบริโภคใช้สอยไปมันก็หมดไปไม่ใช่ว่าได้มาแล้วไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเงินทองเข้าของต่างๆนี่แต่ใช้แต่จ่ายไปหมดไปเมื่อหาไม่ทันก็เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องลำพึงดำริถึงความทุกข์ของ ตัญหาที่จิตใจสร้างมันขึ้นมามันก็ก่อทุกข์ให้นานาประการดังกล่าวมานั่นเองผู้ดใดมีความอยากมากผู้นั้นก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้เลยมันอยากเกินขอบเขตหลายก็เป็นเหตุให้ไปทําบาปไม่สามารถจะ สำรวมในสินที่ตนสมทานมาแล้วนั้นได้ก็ไปทําบาปแล้ววะนี่ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาทดื่มสุรากัญชายาฟิ่นเฮโรอีนอะไรต่างๆนานาหมุนนนเนี่ยนั่นแหละบุคคลจะ ล่วงศีลล่วงธรรมนี่ได้ก็เพราะความอยากนี่แหละมันท่วมท้นจิตใจมากเกินประมาณถ้าหากว่าพูดได้บรรเทาความอยากอันนี้ลงได้อย่าให้มันอยากล่ำเข็ดแดนแห่งศีลแห่งธรรมออกไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปกันนะาว่ายังชั่วหน่อยนะเมื่อไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ททำบุญแหละคนเรา กระทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นสิ่งใดเป็นโทษเป็นนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำเลยไม่ปาถนามันอย่างนี้แหละเราจึงต้องภาวนาะระงับความอยากอันนี้ลงมีทางเดียวนี่ฮะทางกำจัดความอยากนะอย่าให้มันวิตกวิจาร์ไปในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้น ไอมันมองดูรูปภายในที่ตนอาศัยอยู่นี่เมื่อเห็นแจ้งในรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายในรูปนี่แล้วมันก็เบื่อหน่ายรูปเสียงภายนอกนู่นเหมือนกันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีลงอย่างนี้แหละเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปเท่าไหร่ สัญหาความทยานอยากอย่างว่านาะมนกันน้อยเบาบางลงเหมือนกันอันนี้แหละเป็นอุบายวิธีละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปดังกล่าวมา